เรียนอันนี้เราไม่ต้องการประโยชนักกานเราให้รู้ใหเห็นแรืวก็พี่ทําตัวเองให้เป็นฝุ่นอะไรจุดนี้เท่านั้นพี่จะเป็นเรื่องของนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมแตก ต, ต่างนักวิญญาณแตาต่างนักขัตติยามีดีแตกต่างกันนักปกครองแตกต่างอย่างชื่นเชยแต่ก็ทุกคนเนี่ยมันนักปฏิบัติธรรมไม่ว่าเนื้อที่จะมันนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ ทอดทิง้งเพื่อชีวิตใหม่แต่การปฏิบัติเพื่อทิงขันห้างนะแต่ว่าจะทุงอย่างโง่โ ง, ง่เขานะมันก็ไม่ได้มันต้องรู้ต้องเห็นเข้าใจดังนั้นเอาตัวนี่เป็นหลักนักปฏิบัติจะไม่ทำดูวแบบพกสมุดพกไปด้วยนั่งจดนั่งสมาธิเกิดอะไรจดอย่างนี้นักเป็นนักจิฏิยาหาประโยชน์จากการศึกษาเองอันนี้นทให้ตัวเองเป็นผู้ฝน ดังนั้นเลยครับนักปฏิบัติธรรมจริกินยังไงก็ได้นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้ตายก็ได้อยู่ก like <a breathe> ็ได้อยู่คนเดียวก็ได้อยู่หลายคนก็ได้จะต้องไม่มีเงื่อนไขเลยจิงเป็นนักปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมแบบนนี้ถ้าเราไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสนคือกินก็ได้มือเดียวก็ได้ครื่องมือก็ได้อดก็ได้ครั้งสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ก็ได้ตาย ในนี้เรื่องนักปฏิบัติอรมที่ดี้ทีเราไม่เข้าใจนะเราจะเอาจะอยู่ให้ถูกใจเราอยากจะิจนตามใจเราอยากจะมีชีวิตตามใจเรานี้ไม่ใช่นักิบัตินักปฏิบัติจะดูงจิตมันต้องข่มกล้าอะไรอย่เงยนะอะไรก็ได้เข้าใจนะคือไม่มีเงื่อนไขผลตกก็ได้แดดออกก็ได้เข้าใจไนะ มันต้องเด็กเดียวหรือไมอ่นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้<ช>นี้เรื่องมันอาจจะต้องการทีนี้เราเป็นนะักสุขภาพแล้ว <c ười> <c ười> งวนในเรื่องของปฏิบัติธรรมนี่มันเอาชีวิตเข้าไปตั้งเลยมันต้องกลา้าใ น, นดับนี้ครับ จ, รจึงจะรู้สิบตัวได้ทไมฉะนั้นมันแต่ผมบอกไว้ก่อนในคะำพูดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดรมาน มันเป็นเกม่วกัควา ม, คมกล้าของดวงจิตเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องทุกข์ทมามนหรือไม่ใช่เป็นเรื่องลบมันเป็นความกล้าของดวงจิตที่จะพร้อมแล้วจะเผชิญหนากับอะไราก็ได้เข้าใจเรื่องนี้จะเป็นดอ ก, กแกลยะที่ใช้แล้วสูป่ประตูความสุขถ้าไม่พร้อมนี่เราจะดีจริงดังนั้นประการแรกนักปฏิ บ, บัติธร จะต้องทำตัวให้ไม่มีปัญหาอะไรจะเร็ปัญหาเรื่องกินเจกินเนื้อมาอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติทำเนนักก็ได้หรือว่าเป็นคนด้วยงาวไม่ต้องนอนครไม่ต้องนอนมันวนกปฏิบัติทำไม่ง่วงหรอผมไม่ได้พูดว่าง่วงนอนไม่ดีน่ไม่ใช่ไม่ได้จ่ายแบบนักนะสกขภาพอนามย มันจะเป็นเองครับถึงเวลามันไม่นอนมันไม่นอนเลยแล้วถ้าคนขลาดจะกลัวต่อภาวะนั้ น, นภาพตื่นโดดขึ้นที่งไม่นอนสองคืนที่เรมีความขาดอยู่เบื้องหน้าเนี่มันพอทําท่าจะเกิดเรื่องมันถอยเพราะฉะนั้นพอทำท่าจะเกิดเรื่องก็ถอยถอ ย, ย่างนี้เรืเอร่องหนึ่งเถิดไม่ใชนักปฏิบัติมีนักปฏิบัติต้องมีจิตสิ่งเดีวแนี่ยเราต้อหมู้ จิจึงเร็วเล่นทีเส้นสมาธิและก็ น, นิ่งนวลปัญหาเรื่องการอดนอนสมมติเรานอนไม่หลับมันจะมีความทุกข์ทรมาณเนื่องจากกังวลกับภาพซ้อนไปเือยสมมคืนไหนนอนไม่หลับลองทําใจร่วมกับมันก็ไม่หลับก็ดีนะลุกขึ้นเดินเดี่ยวตรงเล่นมันจับใจมันใช้สิ่งที่เปรู้สักให้เป็นประโยชน์ให้มันเข้าในที่เราไม่ฉลาดเอง เราเป็ hmm. เปนห่วงเจ้าตัวเนี้ยเป็นห่วงกลัวมันจะสู ja os, ้พร้อมกลัวก็เลยไม่ต้องทํามากิ้นเลยก็ยิ่งไม่หลับเลยครับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยไปที่จริงก็ับเอากรรมันเลยครับทุกเรื่องนี่อะไรเกิดขึ้นเอากรรมันด้วยเอากรรมันด้วยครับมอนไม่หลับก็ดีแล้วไม่ขึ้นไม่มีอะไรจะกินก็ไม่ต้องกินก็มีอะไรจะกินแล้วนี่ย ก็ใส่ไปรถไฟไม่มีที่จะนอนก็ต้องทาใจก่อนไม่มีที่นอนก็ดีแล้วไม่ต้องนอนเอากำมันไป ล, ละเรื่องนั้นไม่สำคัญ อ, อยาก่นี้ปนปัญหาขึ้นมาการสอยากให้สิ่งนี้เป็นปัญหาขึ้นมาการแสวงหาท่านบอว่าทั้งเธอมาอันนี้ค่อยพูดกันมาหลังได้ไหมครับจะเรื่องอาชีพเรือไง ผมกับางที่เรื่องการเจริญสิทธิ์เพราะฉนั้นเป็นอีกปัญหาคุยกับวันหลังผมไม่ได้มาสาธิต เ, เพื่อจะมาแก้ปัญหาสุดดวนะครับจะแต่งงานกับใครจะทำงานอะไรลาออกนี่ต้องไปหานู่นพวกศิลานีเนาะนะครับ <c oughs> ะจะมาที่นี่นะครับเพ่อมาเรื่องโดยจงทำความัูสึกตัวนเพื่อจะเคลื่อนไหวจะให้รู้นูน่นรู้ต่วน ซึ่งจากจุดนี้มันจะเข้าไปแก้ปัญหานั้นเองครับแก้ปัญหาของการที่เราขึ้นตัวเองไม่ได้คือปัญหาหลักของมนุษย์มันขึ้นตัวเองไม่ได้เข้าใจไม่ใช่มงินเป็นคนไม่มีสมรรถภาพไม่ใช่เป็นอะไรเลยพึ้นตัวเองไม่ได้ความกลัวนี่ยมันแทรกซ้อนเข้ามาแล้วทําให้ความเมื่อยล้าเหนื่อยใจสมรรถภาพไม่เคยมีสูญเสียไปเยอะสิ่งนี้มันขึ้นตัวเองไม่ได้ครับ เ, เกิดเรื่องอะไรกันหมดพึ่งตัวเองไม่ได้เลยกลัวกันหมดจับจุดนี้แหละที่มันสร้างปัญหาขึ้นรอบด้านเข้าไปเราเพึ่งตัวเองไม่ได้เราพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปพึ่ง อ, อย่างอื่นไปพึ่งผีพึ่งสามพึ่งเกี่ยวดาวพึ่งยานอนหลับมันพึ่งธรรมชาติในตัวนี้ไม่ได้ครับเพราะแบบนี้เราไปทําผิดกับมันก็นอนไม่หลับก็ต้องหายานอนหลับ ังงอย่างชีวิตในอนาคตไปไหนต้องพึ่งก็ยึดอันหนึ่งอันใดมือฝันตราบได้ที่เราสแสวงหาแับที่พึ่งจากภายนอกอยู่ตราบนั้นไม่วันพบกับความหลพ้นมมเมื่อไหร่นี้จะมีพึ่งเมื่อปัญหามันเกิดที่ตัวเกิดขึ้นที่ตัวว่าเชือกถูกผมขึ้นการแก้ผมต้องกระทําที่เชือกนี้จริงไ เราพรึ่งตัวเองไม่ได้จะต้องย้อนหาที่พึ้งที่ตัวนี้ยิ่งพึ่งที่อื่นก็จะทําให้ตัวนี้พิการนิ้นึงจะต้องย้อนมาที่จริงอะไรแบบนี้เชือกมันถูกผมกันอ่ปกติเชือกธรรมดาไม่มีผมจริงที่ปมมันคล้องมาอยังไงเราจะต้แก้นั้นจะแก้ผมโดยไม่ คายปมตามที่คุณผูกมัจริงประุด็นปมทีผูกกันอย่างผมทุกเหล่านีนผูกกันอย่างเพราะปั บ, บันนี้นะครับเรามีชีวิตอยู่ชีวิตไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของกระบวนการของชีวิตอะไรคืงกระบวนการของชีวิตกระบวนการของชีวิ ต, ว ก, วตก็คือเจ้ตัวความรู้สึกตัว และการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเป็นกฎมูลฐานของจักรวาลนี้ของโลกของสังคมของชีวิตของคนหนึ่งหนึ่งของเซลล์เซลล์หนึ่งของอนุภาคในอะตอมที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเทีนี้มันสำเร็จรูปเป็นชีวิตที่คนหนึ่งๆมันก็รู้รู้ตัวชีวิตก็เป็นความรู้สึกได้ทิไม่รู้สึกต่างใ่ไครั มันรู้สึกตัวได้และเคลื่อนไหวได้การเคลื่อนไหวกับการรู้สึกตัวนี้ไปด้วยกันพวกคูกันไปสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมีการเคลื่อนไหวไม่รู้สึกตัวไม่ใช่ชีวิตมีความรู้สึกตัวไม่มีการเคลื่อนไหวจะโน้มไปสู่ความตายจริงไปแบบนี้นี่คือมูลฐานของชีวิตการเคลื่อนไหวคือการเปลี่ยนแปลงนี่เองนั่งอยู่เดยวก็ต้องลุก เรืยกว่ามันเป็นอ น, นิจจังคือมันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเคลื่อนคล้องไปตามทำตายกดมูลฐา น, นนั้นวันนี้ตัวเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับมันเป็มีชีวิตยอยู่ได้เราอยู่ได้ด้วยกดมูลฐา น, นนั้นไม่ตายซีเราอยู่อย่างนี้นแต่วันนี้ทุกใจพราะนั่งองนี้นะ่นเนี่ยทุกกายนะครับแต่ทุกกายมันจะเปลี่ยนเองมันรู้มันรู้ข้างในรนะ่างกายมัน ทุกใจทำแบบนนี้ความคิดเป็นตัวการใหญ่จากภายในมันสร้างมโนภาพบรรใตยตัวขึ้นแล้วมันไม่ยอมเปลีป่ยนแปลงนี่นคือปมครับเข้าใจไหมันเกิดเป็นปมทางใจขึ้นปมวันนี้เห็นได้จากความคิดที่ว่าตัวฉันเนี่ยกี่ปีที่ตัวฉันไม่ยอมเปลีป่ยนแปลงมนษภาพเปี่ยนกับตัวเองฉันต้องการนั้นฉันต้องการนี้น อันนี้เป็ น, ปนมโนภาพซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนนี่คือปมทางใจเข้าใจดีทิ้ก็ทุกเท่า น, นั้นเองครับก็เพราะตัวฉนันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งทั้งหลายซึ่งเดินสวนทางฉันก็เป็นความทุกข์ของฉันใช่ครับปัจจันมนโนภาพที่คิดขึ้นไม่ยอมเปลี่ยนตอนนี้เราจะต้องแก้มันตนะ้องรู้ปมมัน รูปมว่าถ้ามันคิดออกไปนานๆแล้วมันจะสะสมขึ้นเป็นมโนภาพบันใต้ตัวนั้นก็ภาษาฝรั่งเกิดคอนเซ็ปต์ขึ้นแล้วคอนเซ็ปต์เนี่กับตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนตามกระแสใชีวิตก็มาสิบปีที่แล้วก็ตัวฉันนี่อยากสอบไล่ได้อยากได้เงินไอ้ตัวนี้ยังอยู่จนทุกวันนี้มีลูกมีเจ้าซึ่งมันเป็นความข้าวเสพติดมันเป็นมโนภาพซึ่งเกิดจากการคิดแต่ละครั้ สะสมขึ้นเป็นศูนย์กลางของคือชีวิตมันไม่ได้มีศูนย์มันไม่ไมีศูนย์กลางใจไม่ใช่ศูนย์กลางใจเป็นเป็นสภาพกลางไม่ใช่ศูนย์กลางลไม่ไี้มีตัวฉันนี่เป็นศูนย์กลางจะทําอะไรก็ตัวฉันวัดเอออันนี้ดีเออ น, นี้ไม่ดีเอาตัวเองวัดจริงไหมครับคนนั้นเลวคนนี้นดีคนนั้นสูงคนนี้ต่าทำอนนั้นถูกทำอันนี้ผิดเอาตัวเองคือจับ แต่บัดนี้ตัวเองนี่ก็ผมพูดเล่นนะครับนะที่มาปฏิบัติธรรมก็บ้าทั้งนั้นแหละแต่เพราะเรารู้เราไม่สบายเนยะเราจึงมาจริงนะครับมันมีศูนย์กลางนะี่ว่าตัวฉานอยากปฏิบัติธรรมอยากหรือ่เพราะเรารู้ปัญหานี้บัดนี้ต้องทำลายอ้อมค่ายานี้อย่างตรงงอย่างกล้าหาญทำลายยังไงวิธีการที่จะทำลายล้างผมมันนี้คลายผม ก็เอากฎของชีวิตนี่เองกฎของความเปล่นแปลงและเคลื่อนไหวเข้ามาเข้าใจเข้าใจใช่ไหมครับรดังนั้นวันคลีนหนึ่ ง, งตลอดเวลานีตั้งแต่บัด น, นี้นปเป็นไปจนกระท่านาสี่สิบห้าอาทิตก็ได้หรือคิดเป็นช่ว ง, งคการสมถ า, มานนะครับให้อยู่กดมูลฐานชีวิตในการเคลื่อนไหวและรู้สึกตัวจะเดินจะนเห็นการเคลื่อนไหวด้วยนะันน่รู้ จะสร้างความเคลื่อนไหวที่เองใชครับแต่จะไปจงใจ ท, ำทํำสิ่งนี้ให้เคลื่อนไหวตามธรรมชาติให้รู้การเคลื่อนไหวรู้สึกตัวในการเคืนไหวจะเดินจะลุกจะนั่งจะคิดตากดมเอามือมาถ้าทำอย่างนี้มันจะทํำลายภาพพจนของตัวเองเข้าใจ จ, จินตนาการ imagination เบียกับตัวฉันซึ่งก็คือสิ่งเดียกับโลกนี้โลกนี้คือโลกของตัวฉันนั่นเอ โลกของผมาาก็คือโลกของจังหวัดสงขลากรุงเทพการต่อสู้ในตอนมึนพระความสับสนอานามัยในจิตใจคือความจำเกี่ยวกับตัวสานี่คือความจำมันจะเก็นโลกอย่างนี้แล้วมันเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นเราทําลายมันตรงๆโดยใช้<น>การเคลื่อนไหวกดมูลฐานในการเปลี่ยนแปลงนะรู้สึกตัวกาทําอย่างนี้มันจะเป็นขย่าปราสาสนั้นให้นั่นจะพังลง ไอ้สิ่งนันจะจางาเมื่อสิงนั้นจางหายโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเพราะตัวเราเปลี่ยนโลกนี้ก็เปลี่ยนจริงก็โลกนี้มันเพียงปรากฏการณ์ของความรับรู้เท่านั้นเล้อย่ยุติเป็นเพียงเชือกาเลยจะทอรอยากไเท็นนอย่าจะพึ่งบอกนอกเลยเียึงจุดนี้นครับเมื่อเราได้ทาแล้วเท่านั้นจึงจะรู้จะรู้โน้น่ไม่ได้เพรู้น้่นคิดกันอีกแล้วนี่ จะต้องเอาตัวนี้เลยครับเป็นหลักทาให้ต่อเนื่องไปทําไปมันก็เริ่มเข้าใจชัดวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องหนุสมาธิที่เคยเรียนมาจะไม่หวันถอยหลังอีกแล้วครับผมไม่รับรองเลยถ้าไม่ทำนี่ไม่รู้ครับพอทําเขาแล้วจึงจะรู้วิธีอื่นผมไม่รู้ครับการนั่งหลับตายมันชั่วข้าวเหมืนก คนฟังีมึงมันเอาตัวเรานี่เป็นตัวยืนตัวเรานี่เองเป็นตัวคนนี่แหละใช้มันให้เป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์นรระครับ้นไม่ใช่ใช้มันเป็นประโยชน์ในการยึดถือโลกตัวเราไว้ใช้ตัวเราเนี่ยทําลายตัวเราปิดๆนให้ยับเยิยนเลยวันนี้เราไม่ใช้มือ น, นกับเราใช้ตัวเรานี้มาเสริมสร้างเกลี้ยกิเลส สิงทีเป็นกิเลสหลักมูลนั่นงแต่ความคิดของเราเนะ่ะครับเกี่ยวกับตัวเองนี่ยมันเป็นกิเลสตัวเองเป็นใครเป็นนั้นเป็นนี้นท้านเรียกว่าอัตตาพระเจ้าพูดคำว่านัตตาไม่ได้หมายไม่มีตัวเนะมันมีแต่มันมีสภาพธรรมสภาพเครื่อนไหวรู้สึกคิดนึกตามนึกแต่แบบนี้มันไม่วงงกง็ ม, มาคอเป็นปมแล้วมันจะไปเรื่อยๆกระแสความคิดก็เรื่อย การเดินการนังก็เรื่อยๆเหมือนน้ำเหมืนกะแสน้ำไหลจับใดที่น้ํำยังไหลยอยู่จะไม่มีปัญหาเรื่องน้าเน่าจริงนี้ตัวเราเป็นน้ําเน่าก็คืดคิดแต่เรื่องน้ําตัวตัวเราผมจะได้อะไรบ้างลูกหลานนูนน่ทำมมันทอดทิ้งเรามันก็เกิดเป็นศูนย์กลางขึ้นแล้วก็เริ่มเน่าเน่าขึ้น การเน่าอันนี้เกิดจากการความแรงพอคุยใครแล้วก็นอนหลับเอาศัก์สีอะไรเข้ามาจับมีการเป็นคุณหญิงคุณนายมีสักสีน้าเน่าอันนั้นเลยครับเว้นไว้แต่ท่านเหล่านั้นเข้าใจดีมีสติปัญญารู้ชัดว่ารู้ว่าสมมุติกี่เรื่องสมมติถ้าไม่รู้นะสิ่งเหล่านั้นจะจับตัวมในสติเกิดบรรยากาศฉุนฉุนขึ้นในตัว ความคิดทุกครั้งจะฉุนฉุนจริงเลยครับมันเป็นอย่างนั้นจริงเลยทไมผมจึงรู้เรื่องนี้ได้ <c oughs> ผมไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยแต่รู้ได้เพราว่าในตัวเราเนะี่มันเป็นอย่างนั้นอยู่ใครก็ตามที่เริ่มมาตั้งต้นในที่ตัวนี้นะครับแล้วตั้งต้นถูกต้องตามหลักของสัจธ ร, รหลักมูลฐานของกฎธรรมชาตินะครับ ว่าด้วยการดมลมชีวิตการเคลื่อนไหวและความรู้สึกตัวสิ่งมันเป็นทุ้นเฟนของชีวิตเป็นแกนเป็นกระบวนการเราก็เข้ามาในกระบวนการนั้นเหมือนแก้วน้ำมันมีภาพสะท้อนของภาพอื่นในน้ำภาพเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏได้ในน้ำเราขย่บน้อจะไม่มี มานามทุกหนูนี่เต้นภาพหลอนอไนันจะม่มีมุดับด้มุดจรานีไปรู้การเคลื่อนไหวกันรู้สึกภาพหลอนซึ่งเคยิกไม่ถึกที่มกลั